ความในกุธการในกายอิติวุตกะต่ออีกนะครับกล่าวถึงผลของการรักษาศีลข้อต่อไปนะครับคือมุสาวาทาเวรมนีถ้าหากว่ารักษาศีลข้อนี้ดีนะครับก็จะมีอั น, นสงคือวิปสัสสนนินริยตาความเป็นผู้มีอินทรีย์ผ่องใส นะครับเช่นแววตาก็ผ่องใสนะครับภาษาทรูปทั้งหลายก็ผ่องใสแม้กระทั่งสีหน้าเป็นต้นก็จะผ่องใสนะครับทีนี้ต่อไปนะครับวิสัทธะมัทุระภาณิตาความเป็นพี่เป็นผู้มีปกติผู้ถ้อยคำนะูดด้วยคำสละสลวยและก็อ่อนหวานนะเป็นคนเรียกว่าสำนวนดีนะ น้ำเสียงก็ไพเราะนะครับอันนี้เป็นผลของรักษาศีลข้อมเว้นจากมูสาวาตแต่ถ้าหาว่าคนที่มูสาวาตก็หนึ่งสีหน้าก็ไม่ผ่องใสใช่ไหมครับถ้อยคำก็ไม่สละสลวยเสียงก็หยาบกระดัางต่อไปก็สมะสิตะสุทธทันตตาความเป็นผู้มีฟันเรียบเสมอแล้วก็ขาวสะอาดนะครับ อันถ้าใครที่ฟันไม่เรียบฟันไม่ขาวฟันสกปรกเป็นต้นเนี่ยนะครับก็แสดงว่าศีลอันนี้ไม่ดีนะครับไปมุสาวาตเอาไว้นะทำให้ฟันเสียหายนะครับใครฟันผมเนี่ยผ่าฟันเรื่องอะไรไปหลอกใครไว้หรือเปล่าไม่ทราบนาติถูลตาความเป็นผู้ไม่อ้วนจนเกินไปมุสาวาตเป็นเหตุให้อ้วนนะครับเชื่อนะโครงสร้างหุ่นของร่างกายเนี่ยนะการใช้คำเนี่ยสัมพันธ์นะครับ อ้วนเกินไปเนี่ยนะโอ้บางคนเนี่ยอ้วนจนขนาดว่านอนเนี่ยต้องใช้เครื่องหายใจนะครับไม่งั้นไขมันมันจะมาจุกนะครับมันตัวใหญ่มากมันก่อนหมอเข้ารูปมาให้ดูนะครับหลายร้อยกิโลมากนะครับคนนึ่งนั้นนะขออ่ะครับถ้าอย่างนี้คนตั้งสัจจะแล้วทาไม่ได้อก็ถ้าตั้งสัจจะคิดจะมุสาวาทไหมล่ะถ้าไม่คิดจะมุสาวาทก็ไม่มีโทษอะไรแต่ถ้า ตั้งใจว่าจะมูสาว่าด้วยเหตุนั้นนั้นก็มีโทษตั้งแต่ เ, เริ่มแรกแล้วทีนี้ต่อไปนะครับนาติกีสตาความเป็นผู้ไม่พร้อมจนเกินไปคือไม่อ้วนไม่พร้อมก็แสดงว่าหุ่นดีนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าหากว่าคนที่หนักไปทางมูสาว่าก็จะเป็นคนพร้อมเกินไปก็ลองเนี่ยนะต่อไปก็นาติรัสตาความเป็นผู้ไม่ต่ำเกินไปนะครับไม่ใช่เป็นคนแค่นะแล้วก็นาติ ทีฆตาความเป็นผู้ไม่สูงเกินไปก็บางคนนี่ก็สูงเกินอีกนะครับต่าก็ต่าเกิ น, นคนสูงก็สูงเกินนะครับมันผิดมนุษย์มนาเขาว่านะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นโทษของมูสาวาตนะครับแต่ถ้าโหพอดีเลยนะครับใหม่พร้อมใหม่อ้วนใหม่สูงไม่ต่ําเนี่ยนะครับแล้วก็อุปะละคันธรมุฆตาความเป็นผู้มีกลิ่นปากหอมเหมือนกลิ่นดอกอุบล น, นะครับกลินปากเหมือนกลิ่นดอกบัวนนะก็ แต่ก็ถ้าโดยทั่วๆไปแล้วก็คนยุคมูสาววาดในกลิ่นปากก็ไม่ค่อยดีนะครับใช้น้ํายาช่วยแทนว่างั้นแต่ก็บอกว่าอย่างกลิ่นปากของเด็กๆนันะเด็กๆนั่นนะก็กลิ่นปากหอมเล้ดีนะนท่าศีลข้อนี้ไม่ดีก็กลิ่นปากนี่นะครับนั่งหางสักวาหนึ่งนี่ก็กลิ่นเนี่ยนะครับแทบเคลื่อนเคลื่อนเห็นอาเจียนเลยนะนะครับบางคนนี่กลิ่นปากแรงจริงๆนะครับ เหมือ น, นเราทำไม่แปลงฟันตักหลายๆวันยังเกียดตัวเองเลยนะครับต่อไปก็สุสศสกตะปริสตาความเป็นผู้มีบริษัทเชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาทนะครับก็คิดดูนะถ้าหากว่าคนที่ไปทำเหตุหลอกใครเนี่ยนะใครจะมาเชื่อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าเป็นคนที่กล่าวคำสัตย์คำจริงเป็นต้นเนี่ยก็จะทาให้ผู้อื่นเขาเชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาทว่าว่ากล่าวเขาก็รับฟังกันนะ ถ้าเป็นคําที่ดีเขาก็สามารถปฏิบัติตามได้เพราะฉะนั้นถ้าพูดแล้วใครเชื่อนะครับอย่างผลของกรรมบางอย่างที่คนทําเนี่ยนะบางคนเนี่ยหลอกแล้วเชื่อนะถึงมุสาวาดคนก็เชื่อหัวปักหัวปั๊มอยู่นั่นแหละครับนี่เป็นผลของศีลข้อนี้มาดีคืออดีตกรรมเนี่ยทาให้เป็นคนมามีอํานาจพูดแล้วว่าคนเชื่อฟังนะนะแต่ว่าไอาเหตุใหม่กับผลของกรรมเก่าคนละอย่างกันนะครับแต่ผลของกรรมเก่าเนี่ยที่เป็นบุญเนี่ยนะทีนี้บุญอ น, นั้นเนี่ย เ น, นื่องจากอาศัยวิบัติกับทิธีวิบัติก็เลยทำให้สีลวิบัติก็อาศัยไออุปธิที่ดีเนี่ยนะครับมาทำบาปทำกรรมทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับทีนี้ต่อไปนะครับสุสุสกตะปริสต า, าว่าไปแล้วบริษัทเชื่อฟังอ่ะนะต่อไปอาเทยะวจนาตาความเป็นผู้มีวาจาเชื่อถือได้นะครับมุสาวาตเนี่ยนะรู้ขั้ง เช่นใครมาหลอกเราสักครั้งสองครั้งเนี่ยนะความเชื่อถือก็หมดไปแล้วใช่ไหมครับถ้าโดยธรรมดาทั่วๆไปะนะถ้าหากว่าคนที่กล่าวคำสัตย์คำจริงเนี่ยนะเดชอ น, นั้นก็ทำให้เป็นคนที่มีวาจาที่น่าเชื่อถือนะครับพูดแล้วคนเชื่อนะครับต่อไปก็กรมมลระทลสะทิสมุตุโลหิตะนยะชิวหตาออานยาก คือเป็นผู้ที่มีลิ้นนะครับลิ้นนี่อ่อนนะครับแล้วก็ลิ้นแดงแล้วก็บางเหมือนกลีบดอกบวกัวเพราะพระุทธเจ้านี่ลิ้นบางมากนะครับเอาแผ่ปกหน้าได้นะครับแลบแล้วก็มาถึงหูได้นะครับแลบถึงหน้าผากได้นะม้วนมวน้มนมน้นยัดเข้าไปในรูจมูกได้นะครับของพระองค์เ่ยขนาดนั้นนะครับก็คือมิจิต น, นะครับแต่ทีนี้พอ ลิ้นบางฟันดีฐานเสียงดีเนี่ยเวลาพูดเนี่ยเสียงเหมือนพรมนะครับเสียงของพระผู้มีพระภาคกันนะผู้ที่ทำรักษาศีลอันนี้ไว้ดีนี่นะครับคือเป็นคนที่กล่าวคำสัตย์คำจริงเว้นจากมุสาวาทก็จะทำให้เป็นคนมีลิ้นอ่อนลิ้นแดงแล้วก็บางเหมือนกลีบอุ o v ไม่ใช่ว่าติดอ่างนะครับคือลิ้นมันโตเกินไปเนี่ยนะครับพูดฟังยากมากนะครับ เหมือนบางคนเนี่ยนะครับกว่าจะหลุดออกมาคำหนึ่งกันอนก็จะหลุดมาได้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นผลของรักษาศีลทางวาจา ม, มาไม่ค่อยดีต่อไปอาลีนาตานะครับความเป็นคนไม่หดหูแล้วก็อนุทตาตาความเป็นคนไม่ฟุ้งซ่านนะครับถ้าไม่มูสาวาตนะทีนี้แสดงถ้าหาว่าคนที่นิยมมูสาวาตนะครับเป็นคนมีปกติมักจะกโกหก ก็หนึ่งก็ทำให้เป็นคนไม่ผ่องใสนะครับอินทรีย์ไม่ผ่องใสพูดก็คำหยาบคำไม่ไพเราะไม่อ่อนหวานฟันนี้ก็ไม่เรียบไม่ขาวไม่สะอาดอ้วนเกินไปผอมเกินไปต่าเกินไปสูงเกินไปสัมผัสที่เป็นทุกข์กลิ่นปากก็เหม็นเหมือนกับกลิ่นดอกอะไรสักอย่างนะครับที่มันเหม็นๆะนะแล้วก็นะครับครับ <c oughs> ก็มี กล่นปากที่เม้นนะครับไม่เหมือนดอกบัวนะตรงข้ามก็แสดงว่าบัวเน่าแล้วนะครับบริษัทไม่เชื่อฟังไม่ตั้งอยู่ในโอวาทคําพูดก็ไม่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็พวกลิ้นพวกลิ้นก็ไม่เหมาะส ม, มอุลิ้นมันโตเกินไปมันจะคบปากนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจหดหูมีจิตใจฟุ้งซ่านนะนะถ้าหากว่าโทษของการผิดศีลข้อนี้ขออ่านครับคนที่มีอินทรีย์ผ่องใสนี้อินทรีย์นี่ หมายถึงอะไรชาหูจมูกครับสีหน้าแววตานั่นเองนะครับผิวพรรณทั้งหลายแหลเนี่นะสีหน้าแววตาเนี่ยนะนลนยนะแล้วก็เป็นอินทรีย์นะครับผ่องใสแม้ว่ามันหน้าดูหน้าชมนะครับผุดพอง น, นะแต่ถ้ารักษาสีนี้ดีก็จะทำให้เป็นคนมีอินทรีย์ผ่องใสมีปกติพูดด้วยถ้อยคำสละสลวยมีฟันเนี่ยเรีบขาวเสมอสะอาด ไม่อ้วนเกินไปไม่ผอมเกินไปไม่ต่ำเกินไปไม่สูงเกินไปมีสัมผัสที่ดีเป็นสุขนะครับแล้วก็มีกลิ่นปากเนี่ยหอมเหมือนดอกบัวมีบริษัทมีบริวารก็เชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาส น, นะพูดวาจาที่ไหนก็มีแต่คนเชื่อถือนะครับลิ้นก็อ่อนลิ้นก็แดงลิ้นก็บางนะครับไม่หดหูไม่ฟุ้งซ่านนะครับเป็นคนที่น่าเชื่อถือว่างั้นเถอะที่ผมว่า NC ็ปองใส่เนี่ยน่าจะหมายถึง เป็นคนตาดีอะครับคือแม้แต่แก่เท่าแล้วก็ยังเป็นคนตามองอะไรโดยไม่ต้องใส่แว่นก็ทั้งหมดนะครับกว้างนะครับคือ Denver, ไม่ใช cons, ใ vorher, ต่ตาอย่างเนี้ยคือตาเนี่ยดูผ่องใสเพราะคําว่าอินรียเนี้ยองทำเนี้ยกว้างนะครับเช่นจากขุนซีโสตินรีขาหนินรีชิวหินรีกายินรียอิดถินรีปริสินรีชีวิตตินรียเป็นต้นเนี้ยนะครับตั้ง Tim ต่างหลายอย่างนะครับหรือแม้กระทั่งสัตว์ตินซีเป็นต้นนะถ้าจะเอาแบบละเอียดไปเลยนะครับเพรัน้ารักษาศี ข้อนี้ดีก็มีผลต่อศรัทธาวิริยะสติและสมาธิปัญญาด้วยนะครับอินทรีย์ยิบสองเลยอ่ะก็เพราะว่าศีลนี่ก็เป็นฐานของโลกุตตรธรรมอยู่แล้วนะครับเป็นอุปนิสัยแห่งมรรคผลนิพพานอยู่แล้วทีนี้ถ้าศีลข้อต่อไปนะพี่ปิจาร์ฟังไว้ดีสุราเมรยะปัมมัชะปมาทฐานนาเวธมณีถ้ารักษาศีลข้อนี้ดีจะมีผลว่า อตีตานาคตะปัจจุบันเนสุกิจจกรณีเยะสุอัปปามาทตาความเป็นผู้ไม่ประมาทในกิจและกรณียกิจทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนะครับถ้ารักษาศีลดีนะจะทําให้เป็นคนที่ไม่ประมาทในกิจน้อยกิจใหญ่ทั้งหลายนะครับทีนี้ถ้าศีลข้อนี้ไม่ดีนะครับโหเป็นคนประมาทหลงลืมในเรื่องที่เป็นอดีตก็จํำไม่ได้อนาคตก็วุ่นวายปัจจุบันก็สับสนไปหมดนะครับ มันคล้ายกับว่าแม้กระทั่งพูดอะไรก็พูดอ่ออแแนะครับพูดวกไปวนมานะสังเกตดูตอนเมาสิครับเวลาทําเหตุว่ายังไงมันฟั่นเฟือนลักษณะไหนผลก็จะฟั่นเฟือนลักษณะนั้นแสดงว่าเป็นคนที่ทํางานเวลาผลมาให้แล้วก็ทํางานแบบไม่มีการวางแผนไว้ก่อนครับผมก็เป็นคนหลงหลืมลืมนะครับแม้กระทั่งเมื่อเช้าทําอะไรไปก็ลืมแล้วพรุ่งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบาก็หลงหลลืมลืม ปัจจุบันก็นะครับไม่รู้เรื่องเลยนะม า, มากก็ด้วยความประมาทนั่นเองแปลงง่ายๆแบบบ้า น, นั่นแหละครับต่อไปก็ญาณวันตาตาความเป็นผู้มีญาณ น, นะครับคือถ้าเว้นจากการดื่มสุราเนี่ยนะเจตนาหรือว่าเวรมณีตัวนี้ก็จะทําให้เป็นคนที่มีสติมีปัญญานะครับต่อไปก็สถา ป, ปัทิตสติตาความเป็นผู้มีสติปรากฏอยู่ทุกเมื่อ นะครับคือเป็นคนไม่หลงลืมอะไรนะครับระลึกได้บางคนก็บอกว่าฟังฟังพุพทธพจน์เนี่ยนะพระเทเบางรูปบอกว่าฟังมา2ี่ปีไม่เคยสาธยายเลยนะครับพอมาปับสาธยายได้เหมือนเดิมเลยนะคล่องขนาดนั้นนะครับเพราะสติท่านระลึกได้แม่นยำ ม, มากนะครับพระเทเบางองค์เนี่ยนะก็บอกว่าสมมติว่าเมืองพูดถึงแบบสมนุนสมัยใหม่นะถ้าเมืองเชียงรายเนี่ยนะครับปิดให้มีประตูเข้าออกประตูเดียว ให้คนเดินเข้าเนี่ยนะครับหรือเดินเข้าหรือเดินออกก็ได้แล้วให้บอกชื่อเลยใครเชื่ออะไรเนี่ยนะครับเรียกเป็นรายชื่อไปเรื่อย ๆ, ๆจนหมดเมืองนะครับแล้วท่านมาชี้หน้าได้หมดละคนนี้เชื่ออะไรอะไรอะไรสามารถจําได้ขนาดนั้นนะครับบางองค์ในสติดีขนาดนั้ น, นครับมีนะครับอ่ะคือมีโคท่า ม, มาเล่าให้ฟังนะมารายงานชื่อก่อนครั้งแรกนะครับรายงานครั้งเดียวก็พอนะครับหลังจากนั้นจะจําได้หมดว่าใครเชื่ออะไรอะไรอะไรอะไะ คือคนจำแม่นขนาดนั้นนะครับสติและเลึกได้ขนาดนั้นนะนะอบอกว่าละเลึกถึงสิ่งสิ่งที่ทำคําที่พูดได้นานไหมอย่างนั้นต่อไปก็อุ ป, ปนิสุกิจจกรณีเยสุสัพพัธานุปตปิกะปฏิพาณวันตะตาความเป็นผู้มีปฏิภาณเกิดขึ้นทุกสถานในเมื่อมีกิจและกณียกิจเกิดขึ้นนะเป็นคนที่มีปฏิภาณดีนะครับฉลาดรอบครอบนะ แก้ปัญหาแก้ไขได้ในทุกการทุกสถานที่นะครับแต่ถ้าหากว่าขี้เมาอะนะมันจะไปมีปฏิภาณอะไรคนเมาอ๋อแอลแอนี่นะครับก็มไม่มีปฏิภาณไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะครับมีแต่เขาหลอกเอาไปแค่นั้นเองต่อไปนะครับอ่นาลาสตาความเป็นผู้ไม่เกียรติครานะ้านก็คนเมาเนี่ยมผลัดวันประกันพรุ่งนะครับงานไม่มีแล้วเสร็จอะไรสักอย่างหรอก อันท่าไม่เมาก็จะทําให้เป็นคนที่ไม่เกียจคร้านต่อไปอัชะละตาความเป็นผู้ไม่โง่เขลาเออตอนเมานี่มันโง่จริงๆนะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าศีลข้อนี้ดีก็ทําให้ไม่โง่ไม่เขลานะครับต่อไปก็อัจมูคตาเป็นผู้ไม่บ้าใบนะครับต่อไปก็อัจฉริยิตาความเป็นผู้ไม่หวาดสะดงุ้งเออคนเมานี่ระแวงนะครับหวาดสะดงุ้งเหมือนกับเมายาบ้าเป็นต้นเนี่ยนะมันหวาดสะดงุ่งมันหวาดระแวงเหมือนจะมีใครมาเข็นมาฆ่าเป็นต้น ต่อไปก็อาสารัมพตาความเป็นผู้ไม่มีการแข่งดีคือคนเมาเนี่ยนะครับก็จะมันมันแข็งดีอะนะมันจะขนาดไหนวะเป็นต้นเนี่ยนะทําเมามันเกิดขึ้นแนละ้วนะครับเป็นเช้าเป็นหมูเห็นของเป็นเล็กของเล็กของน้อยไปหมดอย่างั้นนะไม่กลัวน้ําร้อนนะนะอ่างเ้ยต่อไปก็อ น, นิสุ ก, กิตาความเป็นผู้ไม่ริษยานะครับคือเวลาคนเมาขึ้นเนี่ยมันอิดชาริษยากันนะครับเห็นคนได้ดีไม่ได้นะเวลาเมาเนี่ยนะครับ ต่อไปก็อมัจฉริตาความเป็นผู้ไม่ตนีสินข้อนี้ดีก็ทําให้เป็นคนไม่ตนีนะครับต่อไปก็สัจจะวาธิตาความเป็นผู้มีปกติกล่าวคําสัจโอ้โนะครับอะไรจะมาโกหกมุสาวา่าเท่ากับวงเล่าไม่มีนะครับมุสาวาศมันคุยส่วนใหญ่เป็นเรื่องจริงไม่กี่คําหรอกครับแต่ที่ถ้ามันเมาเมากันเนี่ยนะนั้นคนเมาเนี่ยมูสาวาศว่าไปเรื่อยนะครับโอ้ปกติ สมัยก่อนเนี่ก็นะครับสมัยก่อนนี่ก็เมาเหมือนกันแต่ก็มุสาวาดนี่ไม่มากนะแ ต, แต่ก็ไม่ใช่ไม่มีนะครับมีแต่ทีนี้ว่าเท่าที่สังเกตดูนะครับเพราะว่าสุรินทร์นี่เขาบอกกินถ้าไม่กินสุราก็เทวดาสุรินทร์ใช่ไหมครับรเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปก็กินเหล้าก็ไม่ใช่เทวดาสุรินทร์นะครับถ้าตำก็เทวดาก็เป็นอะไรครับนั่นแหละคิดเอากันแล้วกันเพราะนั้นก็เราก็จะเห็นว่าเออคนที่ มักเมาเป็นต้นไม่มีคําสัตว์ไม่มีศีลมีอะไรหรอครับต่อไปอะปิสุนะอพะพุรสะอสัมภารับปะปะวอาทาความเป็นผู้มีปกติไม่พูดสอเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อนะถ้าคนเมาแล้วนี่นะครับส่อเสียดยุยงให้คนแตกแยกกันนี่ก็สูงคำหยาบคายก็อยู่ในคนเมานี่ยนะครับทั้งคาําด่าเอ้ยอะไรเอ้ย บวกเวกโวยวายอยู่ตลอดนะครับแล้วก็เพรสเจอร์พูดพร่ำพูดไปเรื่อยนะครับนี่แหละลักษณะของคนเมาก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่ารักษาศีนนี้ดีก็จะทําให้ไม่ดื่มเหล้านะทำให้ศีลประเภทการใช้วาจานี่ดีมากนะครับนี่ต่อไปกะตันยุตาถ้าไม่ดื่มเหล้าเมา ย, ยาเป็นต้น น, นะครับจะเป็นคนมีกะตันอยู่จะเรียกว่ารู้คุณคนนะครับต่อไปก็กะตาเวทิตา ก็เป็นคนกระตะเวทีสา ม, มารถตอบแทนคนที่เคยช่วยเหลือได้นะคะ mm hmm. รับโพขวัน ต, ตาตาไม่ดื่มเหล้าก็เป็นเหตุให้มีโพคะเป็นต้นเนี่ยนะครับถามว่าทําไมครับเพราะว่าไม่ต้องไปใช้จ่ายอะไรใช่ไหมครับถ้าไม่ดื่มเหล้านะาเหตุแห่งการเสียทรัพย์ด้านอื่นๆก็น้อยลงไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่พันธ า, าหากว่ารักษาศีลนี้ดีนะถ้าโพคะก็คือทําให้เป็นคนมีโภคะมากก็นับตั้งแต่การถ้าไม่ดื่มเหล้าเนี่ยนะ นึงก็ไม่ต้องเสียทรัพย์เพราะซื้อเหล้าแล้วนะครับเมาแล้วก็ไม่ต้องไปขับรถให้มันเสียหายยับเยินไม่ต้องไปทะเลาะเบาแวงไม่ต้องไปทําบาป ท, ทากรรมอย่างอื่นๆอีกนะครับแล้วก็ต่อไปก็ศีลละวันตตาความเป็นคนมีศีลดีท่ารักเพราะว่าไม่ประมาทเนี่ยนะเพดื่มเหล้าเนี่ยประมาทใช่ไหมพันธรักษ์ไม่เว้นจากการดื่มสุราก็ทําให้เป็นคนมีศีลดีอุชุกตาก็ความเป็นคนมีซื่อตรงนะครับก็ทําให้เป็นคนตรงนะนะแต่ว่าคนเมาก็มักคดนะ อักโกธนาตาความเป็นผู้ไม่โกรธนะครับเป็นคนไม่มักโกรธนะนะคนคิดขี้เมาเนี่นะครับมักโกรธนะแล้วก็ฮีริโอตา ป, ปะสัมปันตาความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยฮีริและโอตา ป, ปะนะครับคำนวนว่าทําเมาแล้วก็ลืมผ้าลืมผ่อนลืมอะไรไปหมดขาดฮีริโอตา ป, ปะไม่มีความละอายอะไรสักอย่างนะครับหากคนเมาเนะ น, นีนน่ย น, น, น, น, นอนไหนก็นอนได้สุนัขก็เลียปากเป็นต้นเนี่นะครับอาเจียนโอ้ ดูน่าเกลียดเลยเพราะฉะนั้นไอ้คนเมาเนี่ยนะครับไม่มีฮีริโอตปะแต่ถ้าไม่เมาแล้วก็มีความละอายเป็นต้นเนี่ยนะครับอุชุทิตาความเป็นผู้มีความเห็นตรงนะครับเพราะเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะก็จะคำนวณอะไรได้แม่นยำแม้กระทั่งกรรมมรรตากรรมและผลของกรรมก็มองเห็นชัดเจนแล้วก็มหัตตาความเป็นผู้มีใจใหญ่นะครับคือเป็นคนใหญ่คนใจใหญ่นั่นเอง คือใจไม่น้อยนะใครพูดอะไรกระทบกระทั่งก็ไม่โกรธไม่เครียดเป็นต้น น, นนะนะแต่คนใจนิดใจน้อยอย่างนี้ก็โอ้ยเขาพูดมานิดๆหน่อยๆก็โกรธเสียใจน้อยอกน้อยใจไปหมดนะครับเออคนเมาเนี่ยนะเขาว่าอะไรนิดๆหน่อยๆเอ๊ว่าเราหรือเปล่านะครับเป็นคนขี้น้อยใจเหมือนกันนะครับเท่าที่สังเกตดูนะบางคนเนี่ยเห็นแล้วเป็นอย่างนั้นต่อไปก็บันบันดิต ต, ตาความเป็นผู้ฉลาดนะครับคือเป็นบัณฑิตนั่นเอง ต่อไปก็อัฏฐานัทธกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ก็รู้ดีรู้ชั่วนะครับรู้ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายรู้ประโยชน์โลกนี้รู้ประโยชน์โลกหน้ารู้ประโยชน์อย่างยิ่งนะครับถ้าไม่เมานะแต่ถ้าเมาก็หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นคนที่ดื่มเหล้าเมายานะครับจะได้รับอ น, นิสงส์นังต่อไปนี้นะครับฟับงดูนะถ้าเป็นคนหัวราน้ำเนี่ยนะเมาตลอดเลยก็ เป็นคนที่ประมาทในกิจกรณียกิจทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นคนที่ไม่มีสติเป็นคนไม่มีปัญญาเป็นคนที่มีสติไม่ปรากฏหลงหลงลืมๆืมเป็นคนที่ขาดปฏิพานไว้พริบในที่ทุกสถานแม้กระทั่งมีกิจการอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีปฏิพานไม่มีปัญญาอะไรเลย เป็นคนเกียดขี้คร้านเป็นโง่เคลาเบาปัญญาเป็นพวกบาปใบเป็นคนที่วาดซุ้งวาสเสียวเป็นคนที่มักแข่งดีกับคนนะครับเป็นคนอิจชาริษยาเป็นคนตนีเป็นคนที่พูดไม่เป็นคำศัพท์คำจริงอะไรหรอกครับเป็นคนที่มีปกติพูดส่อเสียดพูดคำยาพูดเพ้อเจ้อเป็นคนอากตันยูเป็นคนที่ไม่มีกระตะเวทีไม่รู้คุณคนนะครับเป็นคนที่ไม่มีโภคะเป็นคนที่ไม่มีศีล เป็นคนที่มีความเห็นไม่ตรงเป็นคนมักโกรธแล้วก็เป็นคนที่ขาดที่ริขาดโอตะปะเป็นเหตุแห่งความทำชั่วอย่างอื่นๆื่นอีกนะครับเป็นคนที่ไม่มีความเห็นตรงเป็นคนที่มีใจแคบๆนะครับเป็นคนโง่คนเขลาเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เป็นต้นนะนะถ้าถ้าเป็นคนขี้เหลาเมายาหัวราน้าก็เป็นลักษณะนั้นแต่ถ้าหากว่าศีลอันนี้ดีก็จะทำให้นคนไม่ประมาทในกิจ ในกรณียกิจทั้งที่เป็นอดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันเป็นคนมีญาณคือมีปัญญานะเป็นคนมีสติปรากฏทุกเมื่อเป็นคนเป็นผู้มีปฏิภาณเกิดขึ้นในที่ทุกสถานในกิจน้อยกิจใหญ่ทั้งหลายแล้วก็เป็นคนไม่เกียจคร้านเป็นคนไม่โง่เขลาเป็นคนไม่บ้าไม่บ่าเป็นคนไม่หวาดระหนงเป็นคนไม่มีการแข่งดีเป็นคนไม่ริษยาเป็นคนไม่ตะนีเป็นคนที่กล่าวคําสัตย์คําจริงนะครับ เป็นคนที่ไม่ส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเป็นคนกระตัอยูเป็นคนกระตะเวทีเป็นคนมีโภคะมีทรัพย์มีศีนเป็นคนที่มีความเห็นตรงนะครับเป็นคนตรงอ่ะนะเป็นคนซื่อตรงด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนไม่มักโกรธเป็นคนที่ถึงพร้อมด้วยหิริโอตปาละอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อบาปอกุศลทั้งหลายเป็นคนที่มีความเห็นตรงเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นคนมีใจใหญ่ นะครับเป็นคนฉลาดเป็นคนรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นผลสองการรักษาศีล5ดีนะครับนะที่กล่าวมารวมๆแล้วนะครับถ้ารักษาศีลข้อที่1ดีนะครับท่านก็แสดงรวมๆประมาณ22่สองข้อจะได้รับอนุสงว์ประมาณ22ข้อถ้าหากว่ารักษาศีลข้อเวน้นจากอทินาทานก็จะได้รับอนิ ส, นสงว์ประมาณ9ข้อนะครับถ้าเป็นคนประพฤติพรหมจรรย์เวน้นจากการเมสุมิชฌาจารย์ ก็จะได้อนิสงส์งประมาณ17ข้อถ้าหากว่าเว้นจากมูสาวาตดีก็จะมีอนิสงส์งประมาณ14ข้อนะครับเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยก็ประมาณ24ข้อนี่เยอะจริงๆนะครับเว้นจากการดื่มเหล้าสัอย่างเดียวเนี่ยนะครับมีผลมีคุณมีประโยชน์อย่างอื่นอย่างมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นการดื่มสุราเนี่ยเป็นฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนะครับ เพราะฉะนั้นศีลวาได้แก่ผู้ที่มีศีลด้วยสามารถแห่งเบญจศีลตามที่กล่าวแล้วนะครับคือรักษาศีลห้ากิจดา น, นิสงอย่างที่ว่าไปบทว่ากัลยาณธรรมโมได้แก่เป็นผู้มีธรรมะอันงามอธิบายว่ามีปัญญาประกอบด้วยทิฏฐิสมบัติอันส่องถึงสารณคมนะครับคือมีสติมีปัญญานะสามารถถึงตจสารณคมได้ก็บุดคลใด เมื่อมารดาบิดาไม่มีศรัทธาและเป็นคนทุศีลตนเองก็เป็นเช่นนั้นแม้บุตรเช่นนั้นก็พึงทราบ ว, ว่าเป็นอวชาตบุตรทีเดียวนะครับพ่อก็เลวแม่ก็เลวลูกก็เลวไปด้วยเนี่ยนะครับเรียกว่าประเภทอวชาตบุตรนะครับ ไ, ไม่อนุนะครับเลวทั้งคู่ทั้งพอ่อทั้งแม่ทั้งลูกเลวหมดนะครับต่อไปเพราะว่าความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเป็นต้นท่านกล่าวว่าเป็นลักษณะของอวชาตบุตรนะนะคือกล่าวตามลักษณะนะครับ และความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเป็นต้นนั้นมีอยู่ในอวชาตบุตรนั้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกความที่บุตรเป็นอติชาตบุตรเป็นต้นโดยเปรียบเทียบกับมารดาบิดานะครับแต่ท่านเลวทั้งคู่ก็ไม่รู้เอามาพูดทําอะไรบทว่าโยโฮติกุลคันธโนได้แก่บุตรผู้ทําลายตระกูลคือทําตระกูลให้พินาศนะครับลูกเลวอ่ะนะเพราะฉะนั้นคันทศนี้แปลว่าทําลายก็ได้นะครับเหมือนเช่น อุปราคันทาปัจจติกาเนี่ยนะครับบทว่าเอเตโคปุตตาโลกสมิงความว่าบุตรสามจำพวกมีอติชาตบุตรเป็นต้นเหล่านี้นั่นแหละเชื่อว่าบุตรมีอยู่ในสัตว์โลกนี้พ้นจากโลกนี้ไปจะมีก็หามิได้นะครับก็บรดาบุตรสามจำพวกนี้บุตรจำพวกใดเป็นอุบาสกคือบุตรเหล่าใดเป็นอุบาสกเพราะถึงพร้อมด้วยไตรสรณคมคือเข้าใจในหลักกรรม ด้วยกรรมสกตายานบุตรเหล่านั้นเป็นบัณฑิตมีปัญญาถึงพร้อมคือบริบูรณ์ด้วยศีลห้าและศีล0ิว่าทันยูคือเข้าใจคำพูดของยาจกทั้งหลายโดยความยังความประสงค์ของยาจกเหล่านั้นให้เต็มโดยเพียงเห็นสีหน้าเท่านั้นนะครับเห็นสีหน้าก็รู้แล้วว่าเขาประสงค์อะไรเขาต้องการอะไรก็สามารถหยิบยื่นให้ได้ อีกอย่างหนึง่งชื่อว่าวัฒนยูมีวิเคราะห์ว่าได้ยินคำของยาจกเหล่านั้นว่าโปรดให้ทานเถิดดังนี้ก็รู้ความหมายนั้นโดยบริจาคทรัพย์แก่ยาจกเหล่านั้นเนี่ยนะเวลาเขาให้เขาก็คิดว่าคนเหล่านี้ไม่เคยให้ทานในการก่อนจึงเป็นเช่นนี้ส่วนเราไม่ควรเป็นเช่นอย่างนั้น นะครับเออเนี่ยนะที่เขามาขอเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้ทําบุญไว้ในปางก่อนนะถ้าหากว่าเขาขอเราเราไม่ให้เราก็ทําเหตุแห่งเที่ยวจะต้องไปเที่ยวขอคนอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นผลอันนี้อย่าได้มีแก่เราเลยก็รีบทํารีบทำเหตุอันนั้นไว้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าวทันยูเพราะวิเคราะห์ว่าเข้าใจถ้อยคําของบัณฑิต ท, ทั้งหลายที่แสดงถึงความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนเป็นต้นนะครับ คือรู้คำของบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยนะเขาพูดถึงกรรมสกตาฟังเรื่องศีลเรื่องธรรมเป็นต้นก็สามารถเข้าใจเลยได้นะครับส่วนอาจารย์บางพวกกล่าวว่าปะทันยูอธิบายว่าเป็นผู้มีปกติบริจาคด้วยการเพิ่มให้เชื่อว่าปราศจากความตนีเพราะปราศจากมนทินคือความตนีในทันใดนั่นเองบทว่าอาภคณ า, าแปลว่าบุตรเหล่านั้นย่อมรุ่งโรจน์อธิบายว่างดงาม ในบริษัททั้งหลายมีอุบาสกเป็นต้นและในบริษัททั้งหลายมีกษัตริย์เป็นต้นดุจพระจันทร์ที่พ้นจากเมฆ ก, กล่าวคือหมอกหรือพ้นจากเมฆที่หนาทึบเช่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นบุตรที่พ่อแม่ต้องการจริงๆก็คือบุตรที่มีศีลมีธรรมบุตรที่ถึงไตรสรณคมนั่นแหละนะครับนี่ก็ในอัตกถาปุตตสูตรที่5้าก็จบเท่านี้นะครับ